โดนคนหลอกรู้แล้วเจ็บใจแต่หลอกตัวเองถึงรู้ก็สบายใจอาการหลอกตัวเองเป็นอย่างไรอย่างที่มีภาพเสียงในใจหรืออย่างที่มีเสียงกระซิบในหัวบอกอะไรที่เป็นตรงข้ามกับความจริงใจคุณรู้อยู่เต็มอกว่าเรื่องจริงเป็นอย่างไรแต่เสียงกระซิบดันบอกเป็นตรงข้าม หรือบิดเบือนสุดชีวิตได้ไม่ต้องอายใครอาการหลอกตัวเองเกิดขึ้นเมื่อใดเมื่อหวังลมๆแรงๆยังรู้เต็มอกว่าไม่มีทางได้อย่างที่หวังหวังซ้ำๆจนเกิดจินตนาการบิดเบือนซ้ำๆหรืออีกทีคืออยากได้ใครหรืออะไรมากแต่ไม่ลงมือทำอะไรเพื่อให้ได้มาจริง เมื่อขี้เกียจสร้างโลกความจริงก็จะขยันสร้างโลกมายาขึ้นมาแทนโลกที่ไม่ต้องออกแรงโลกที่ไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินใครมาลงทุนโลกที่เสกให้สวยงามแค่ไหนก็ไม่มีใครว่าอาการหลอกตัวเองมีคุณหรือมีโทษมีคุณถ้าพอดีมีโทษถ้ามากไปขอให้มองว่า ความจริงอันเจ็บปวดนั้นเปรียบเหมือนคุกอาคนคนหนึ่งต้องอุดอู้อยู่ในคุกมากเกินไปบางทีก็เครียดเกินทนแต่ขณะดเดียวกันความจริงก็เป็นที่ตั้งของสติอาจคนคนหนึ่งหนีความจริงมากเกินไปสติก็แววงวินบกพร่องหรือกระทั่งพังพินาศหมดอาการหลอกตัวเองกลายเป็นการเจริญสติได้ไหม ได้ถ้าจับทางถูกเริ่มจากสังเกตตามจริงว่าลมหายใจเป็นความจริงตรงหน้าและแม้จะเป็นความจริงง่ายๆตื้นๆแต่จิตที่ชอบหลอกตัวเองก็จะไม่อยากรับรู้รู้ครั้งแรกเฉยๆรู้ครั้งที่สองขี้เกียจรู้ครั้งที่สามเริ่มออกอาการเบือ่อรู้ครั้งต่อๆมายิ่งฝืนใจยิ่งเป็นทุกข์ อาจกระสับกระส่ายมากขึ้นทุกทีไม่เห็นเหตุผลที่ต้องมารู้สิ่งที่ไม่น่ารู้นี้ทําไมออกอา้าวฟุ้งซ่านไปเรื่อยแค่เริ่มเห็นความทุกข์อันเกิดจากการรู้ความจริงดังกล่าวนี้ก็นับว่าสติเริ่มเกิดแล้วถ้ายังคงเพียรสังเกต ต, ต่อไปทุกวันเห็นว่าจิตไม่ชอบมีสติรู้ลมหายใจที่น่าเบือ่อเห็นว่าจิตอยากสร้างโลกใหม่ขึ้นมาแทน คุณจะเริ่มรู้สึกถึงแรงยื้อไม่ให้เกิดสติเห็นว่าแรงยื้อนั้นเกิดจากความอยากหลอกตัวเองเกิดจากความอยากจินตนาการสร้างโลกใหม่และเมื่อใดพยายามตั้งสติรู้ความจริงเมื่อนั้นคุณจะถูกแรงยื้อดึงตัวกลับไปลงหลุมดำแห่งความฟุ้งซ่านทุกครั้งผ่านจุดนั้นไปอีกคุณจะเริ่มพบว่า ช่วงมีสติรู้ลมหายใจได้ ต, งตรงๆก็รู้สึกสบายกายสบายใจปลอดโปร่งดีไม่มีอะไรมั่วๆมัวๆพั ว, ว, ว, พ, วพันอยู่ในหัวและพอเปรียบเทียบได้ระหว่างจิตโปร่งใสกับจิตทึบตันได้บ่อยๆคุณจะเริ่มชอบจิตที่โปร่งใสมากกว่าจิตที่ทึบตันความชอบนั้นเป็นสัญญาณบอกว่าจิตของคุณเริ่มเชื่อมต่อกับโลกความจริงได้มากขึ้น หรือมากกว่าโลกจินตนาการแล้ว